อันนคือสี่ข้อที่สีข้อที่หสุราเมรยะมัชะประมาศการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียรสุราเมรยะมัชาประมาศการดื่มสุราและเมลยัยเดี๋ยวนี้สิ่งไหนที่ทําให้ดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองผิดปกติทําให้สมอง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 คนนเมาสุราแอนคนเมาเบียร์คนเมายาบ้าคนเมาขัญชายยาฝิ่นเฮโลอินขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างพราะขาดสติฆ่าพอ่อฆ่าแม่แอนฆ่าสามีภรรยาลูกหลานฆ่าวงศ์สานา ย, ตยาตญาณมิตรสหายได้หมดจะขโมยสิ่งของของใครก็ได้ทั้งหมดระลับระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ทั้งหมด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 หลวงปู่สุพัฒน์และก็ขึ้นม า, ลาหลวงกราบหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บัวน้องแซงจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่วัดป่าบ้านตาดปี2512สักนั้นพรรษาเพียง4พรรษาเป็นพระน้อยเป็นเนนจุดแปดและก็เป็นพระ4พรรษาที่มาอยู่องค์หลวงตาตั้งแต่มอยู่กับองค์หลว ง, ง, ง, ง, งตาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่2512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 อยู่แบบเงียบเรียบง่ายอย่างพวกเราท่านนักหายอยู่มาเห็นวัดหลวงพอ่ออยู่ในป่านทองพงภยัยอยู่แบบเรียบง่ายเฮอแต่เมือ่อหลวงพ่อพอหลวงตาท่านมรณภาพลงท่านก็ให้เขียนพินในกรรมเนีพระสีองค์คือมีหลวงปู่ฟักหลวงพ่ออินถวายกันหลวงพ่อปัญญาวัดโถแล้วก็หลวงพ่อวันชยัยเนีวัดภูสังโฆแต่หลวงพ่อวันชยัยท่านก็ไม่สบาย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 มีคณะสัตธา ญ, ญาติโยมและลูกศิษย์เข้ามาถึง48รูปอย่างที่ทายกพูดมเมื่อกี้เนี่ยพระจำบัญสาวกหลวงพ่อเนี่ย48รูปหลวงพ่อก็พยายามาทําหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุดเหมือนกันเออคือเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยากจะให้ลูกศิษย์ดีเราต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูเราอยากจะให้ลูกดีเราต้องทํด า, า, ด, าทดีให้ลูกดูเราจะให้ลูกน้องดีอยากให้ลูกน้องดีเราต้องทําดีให้ลูกน้องดูอ่ะ นี่แหละอันนี้ก็คือผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับแม่ปู่ลูกต้องเดินตรงนะแต่ตัวอือนตัวเองเดินงอแงกงแง ก, งงแงกจะให้ลูกเดินตรงได้อย่างไรนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนกระทำรรมาดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรถึงเราจะ ท, ทําดีที่สุดขนาดไหนอย่างที่หลวงพ่อที่บรรยายมาตั้งแต่สั ม, มเาณีจนถึงเป็นพระ เ, เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ล่าถึงจะเป็นลูกของพ่อแม่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 หาเพียงอายุ1ิบเปีทําไมไม่ยืนเหมือนกบคนเขาว่าเต่าอายุถึงหลายร้อยปีนะอายุมันยืนต่างกันแต่ยุคนั้นสมัยนั้นบุญบารมีพระศรีอ่านอายุยืนนึกแปดห0ื่นปีนะ พ, พระจัดพระศรีอ่านต่อไปภายภาคหน้านะแต่ของเราในร้อยปีนี่ก็งอกแขกแล้วไม่ไหวแล้วมันเป็นยุคเป็นสมัยแต่จำไหมนะท่านวัดอายุท่านแสนแสนแสนกว่าปีแสนห้า0 0 0่ปี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 สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายบรมคลูของพวกเราที่ท่านได้สอนเอาไว้ถ้าพวกเราเห็นร่างกายของเราเห็นฟันหลุดเออเราก็แก่แล้วนะ เ, เห็นผมหงาะผมขาวเออเราแกะนะ่ แ, กแล้วนะตาฝ้าฟางเออเราแก่แล้วนะหูตึงเราแก่แล้วนะเมื่อเราแก่แล้วเราจะทำยังไงเราก็ควรเฉาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจศีลธรรมมีเท่าไหร่